ชาวชาๆอย่างนี้กใอยท่านทั้งหลายจงค่อยทำจิตใจของท่านให้สบายเหมือนกับอากาศชาวาๆอย่างนี้คำว่าสบายของจิตก็คือกำหนดเข้าไปที่ใจของเรา แล้วก็ยิ้มสบายใจสูดลมหายใจลึกๆแล้วก็ผ่อนคลายออกมาให้มันเอี่ยมสะอาดออกจากทางจิตใต้สำนึกของเราก็คือลมหายใจบุญก็คือความว่างเปล่าเรากำลังบำเพ็ญเพียรสติ เพื่อให้ก่อเกิดบุญบุญก็คือจิตใจของเรานั้นมันว้าวุ่นวุ่นวายตั้งแต่ตั้งแต่หลายวันหลายเดือนหลายปีที่เราหมกมุ่นอยู่ตลอดเวลาโดยที่ตัวเรานั้นไม่รู้ตัวเองเลยว่า เรานั้นอยู่แบบคนไร้สติคำว่าไร้สติก็คือไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงเจ้าๆอย่างนี้คอให้ผู้มาประพฤติปฏิบัติค่อยค่อยหายใจเข้าแล้วก็กำหนดไว้ที่ใจ เมื่อกำหนดไว้ที่ใจแล้วก็ยิ้มขว้างปอบใจตัวเองเช้าเช า, ชานั้นใจของเรานั้นยังไม่สับสนวุ่นวายเราถูกกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างสม่ำเสมอมาหลายสัปดาห์แล้วการบำเพ็ญเพียรของท่านนั้น เริ่มรู้อาการของตัวเองและคนที่ไม่เคยนั่งได้นานหลายสัปดาห์แล้วที่เราฝึกตัวตนของเราไว้สตทิที่เราเคยพังเผอไม่เกินสามนาทีห้านาทีบัดนี้พระคุณเจ้ารวมทั้งลุกเนร รวมทั้งแม่ชีและผู้มาประพฤติปฏิบัติเริ่มนั่งได้นานขึ้นคำว่านานหมายถึงว่ามีความอดทนอดกัน้นต่อสภาวะปิดกั้นความว้าวุ่นใจความลังเลสงสัยใจเมื่อใจเหล่านั้นมีสติมั่นคงมากขึ้น กำลังสมาธิสมาธิก็คือความตั้งใจมัน่นสมาธิเราก็ละเอียดอ่อนมากขึ้นสังเกตว่าเราไม่เคยนั่งนานอย่างนี้และเราก็ไม่เคยมีอารมณ์รู้สึกอย่างปัจจุบันที่เราทำอยู่ปัจจุบันก็หมายถึงว่าเรานั่งแล้วนิ่งสบาย ไม่ว้าวุ่นไม่ทรมานกายไม่เหมือนกับเราที่มาประพฤติปฏิบัติใหม่ๆเรามาประพฤติปฏิบัติใหม่ๆขณะนั่งเนี่ยเราก็นึกว่าเรานั่งไม่สนัดยุกจิกยุกจิ ก, กเหมือนกับขันนั่นคันนี่นั่งไม่เหมาะ พยายามนั่งใหม่ๆใจก็รู้สึกมันไม่สงบเหมือนในขณะนี้ค่อยๆนึกตามไปแล้วดูสภาพที่หลวงพ่อพูดว่าเออน้อจริงเรานั่งใหม่ๆรู้สึกทรมานใจทุลนทุลายใจร่างกายก็ปวดจิตใจก็รู้สึกฝืนอารมณ์หายใจหายใจมันก็ไม่ลึกรู้สึกว่า มันอึดอัดใจแต่ก็ต้องขออนุโมทนากับพระคุณเจ้าที่อุตส่าห์อดทนอดกันในการฝึกจนนิ่งสงบเหมือนในขณะนี้ได้ฝึกตัวตนที่แท้จริงจากความง่วงเหงาเหานอนจากการฟุ้งซ่านความลังเลสงสัย ของจิตก็คือจิตวิญญาณของเราฝืนสภาวะธรรมก็คือฝืนกิเลสนั่นเองจิตตามสภาพของคนนั้นย่อมไปสู่สภาวะของกรรมกรรมก็คือกักกรรมในความคิดกักกรรมในความสมมติเรียกว่าปรุงแต่งนั่นเองการปรุงแต่งของจิต มันชักจูงให้เราไปสู่สภาวะที่ต่ำบ้างสูงบ้างต่ำก็คือกิเลสต่ำลงไปก็เรียกว่าอบายภูมิเป็นภูมิของสัตว์เดรัจฉานเมื่อเรามีภูมิของสัตว์เดรัจฉานอย่างที่หลวงพ่อบอกว่ามีพ่อแม่เราก็นึกถึงไม่ได้มีพี่มีน้องเราก็นึกถึงคนที่เป็นพี่เป็นน้องเราก็ไม่ได้ อยู่ในหมู่คณะเราก็รู้สึกก็เป็นทุกข์โกรธคนนั่นเกลียดคนนี้ตกต่ำไปเรื่อยๆผ่านไปถึงหมูหมากาไก่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยไม่รู้ตัวเองเลยว่าเรากําลังเป็นโรคจิตอยู่เป็นพเป็นผู้ป่วยทางจิตควายก็เป็นผู้ป่วยทางจิตเห็นไหมช้างมันยังร้องเลย ช้างเขาป่วยเป็นโลกเป็นโลกทางจิตถูกเขานำมาไว้ที่วัดควายนี่เขาก็มาปล่อยปล่อยเวรปล่อยกรรมวัว น, นี่เขาก็เอามาปล่อยวัวถูกเขาเอามาทอดทิ้งไว้หมาเขาก็เอามาทิ้งในวัดเราเอามาปล่อยเอามาทิ้งแมวเขาก็เอามาทิ้งเอามาปล่อย นกเด็กเขาก็มาปล่อยหน้าซาลาเลยเห็นไหมถ้าเราเป็นคนปกติปุตชนคนที่มีสติไม่มีสติเราก็จะคิดไม่ได้อย่างที่หลวงพ่อบอกในขณะนี้ค่อยๆมีสติรู้ตัวตน ต, ตัดทิฏฐิมานะถือตัวถือตนตัดความลังเลฟุ้งซ่านเสียออกในขณะนี้เรามาทำความเข้าใจกับกจิต ที่แท้จริงก็คือจิต ท, ที่มีเหตุผลและมีสติมีปัญญารู้ตัวคิดเท่าทันรู้ทันที่ลุงพ่อได้พูดเออเนาะเราก็อยู่มาตั้งนานเออควายเขาก็เอามาทิ้งวัวเขาก็เอามาปล่อยเขาเรียวกว่าทิ้งปล่อยเลยหมูหมากาไก่แมวเป็ดหง์ห่านเนี่ยเขาก็เอามาปล่อย มันต่างวันเราตรงไหนเราก็ปล่อยจากพี่จากน้องจากพ่อจากแม่จากบ้านจากเดือนจากที่อยู่อาศัยของเราทิ้งของเพศของความเป็นค า, ารวาสที่เราหมกมุ่นอยู่ในกองกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านเหมือนคนเป็นประสาทโรคจิตที่อยู่กับโรคภายนอก ที่ไม่สามารถมีสติรู้ตัวรู้ตนเหมือนเราในขณะนี้ค่อยๆ ค, คิดไปชีวิตของเราได้เติ่แต่ความคิดนึกปรุงแต่งปรุงแต่งว่าเราจะต้องรวยเราจะต้องมีรถมีบ้านมีลูกมีเมียมีผัวเราจะต้องมีทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองแล้วก็ที่ดิน ให้สมฐานะเรียกว่าสร้างฐานะเรานั้นเป็นคนที่หมกมุ่นหนะมกก็หมายถึงว่าเอาความคิดเนี่ยเข้ามาหมกจากที่ตาหูได้ยินที่เขาเป็นกันอยู่ทุกวันแต่เราคิดฟุ้งซ่านไปคิดไปปรุงแต่งไปวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยจิปาถะเขาเรียกว่าจิปาถะ ก็หมายถึงว่าคิดไปเรื่อยคิดไปไม่เป็นความจริงเห็นเขามีรถเราก็คิดอยากได้รถเรคิดไปทําไมเห็นเขามีบ้านมีฐานนะมีความรู้เราก็อยากอยากเป็นอย่างเขาเห็นเขารวยเราก็อยากรวยแต่คนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันตามสภาพของกรรม กำมันมีชั้นล่างบ้างกลางบ้างสูงบ้างต่ําบ้างใต้ดินบ้างใต้ดินก็เปรียบเสมือนไส้เดือนนะกิ่งคือสัตว์เลื้อยคานต่างๆบนดินก็มาแรงแล้วก็งูเี้ยวเขี้ยวคอนนะต่ำต่ำลงไปก็เป็นไส้เดือนสัตว์ที่มันอยู่ใต้ดินนะสูงขึ้นมาก็เป็นแมวหมานกกาไก่เป็นมนุษย์ เป็นเทพเทวดาพรมทั้งหลายแต่สภาวะของสัตว์ต่างๆมาแมลงต่างๆที่เราเห็นเนี่ยเราก็คิดเห็นเห็นแต่เราไม่รู้เรียกว่าบอดตาใสเมื่อเราไม่รู้เนี่ยเราก็คิดไม่ออกก็รู้สึกขยะขยะแขงไส้เดือนเราก็ไม่ต่างกับไส้เดือนเราก็กินผัก กินใบไม้ใบหญ้าทัญญาพืชธัญญาหารไอ้เจ้าใส่เดือนนี่มันก็บริโภคใบไม้ที่ตกล่นไปใต้ดินเนี่ยรากไม้ที่มันเน่าเนี่ยมันก็กินรากไม้ใบไม้เนา่าเน่าอยู่ใต้ดินที่มันทับโถมกันแล้วมันต่างกับเราตรงไหนใส่เดือนไอ้ใส่เดือนมันก็มีขาวมีเลือด นะเราก็มีกิ่นตัวมีเลือดมีเม็นข่าวเหมือนกันมีกิ่นปากนะมีกิน่นอะึกินหนักกินเบาเช่นเดียวกันแต่เจ้าไสเดือนเนี่ยมันทำวิปากกรรมมานะมันอยู่ใต้ใต้ดินนะใต้ลงไปอีกมันก็มีต่ำกว่าไสเดือนไปอีก อยู่บนดินไม่ได้มันก็ต้องลงท้องทะเลก็เรียกว่าเมืองบาดาลอย่างที่หลวงพ่ออธิบายให้ฟังเราเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเรามองไม่เห็นวัตตะคือการเวียนว่ายไม่เห็นการเวทนาน่าสงสารของการโคจรของกรรมที่คือการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเราก็จะมองเห็นสภาวะสัตว์ ก็รู้ว่าเป็นเป็นสัตว์แต่มันไม่รู้เหตุผลว่าสิ่งที่เป็นสัตว์เป็นแมลงเนี่ยมันเกิดจากอะไรแต่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในท่านรู้เหตุรู้ปัจจัยย้อนอดีตของตัวเองเนั้นไปถึงห้าร้อยชาติพระพุทธเจ้าก็ยังหนีความเป็นสัตว์ไม่พ้นก็ยังเป็นช้างเผือกเป็นงูเผือก เขอไปเป็นลิงเผือกเป็นกวางทองบ้างเป็นอะไรมากมายเวียนวนมาจนไปถึงเจ้าพระพพระมหากษัตริยนะ์มีกรรมกับใครบ้างนะมีกรรมกับตัชูชกนะพระพุทธเจ้าจึงย้อนให้เห็นนะทิเทศมหาชาตินั่นเองแต่ละชาติแต่ละชาติ แต่เราเนี่ยเราไม่เคยรู้สึกจิตได้สำนึกมียานอย่างรู้เพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้เป็นผู้ไม่รู้ผู้ไม่รู้ก็หมายถึงว่าเป็นผู้มีอวิชชาครอบงำนะก็คือความโง่เขานั่นเองความโง่เข่าเบาปัญญาที่เวียนว่ายตายเกิด เป็นหมามาบ้างเป็นไก่เป็นกุ้งหอยปูปลาช้างม้าหัวควายเราก็เคยเกิดเป็นเขาเรียกนานาจิตตังตามสภาพจิตของที่เป็นกรรมเพราะฉะนั้นที่เรามาประพฤติปฏิบัติวันนี้เนี่ยรวนแต่ทุกคนเนี่ยเป็นโลกจิตไม่มีจิตได้สํานึกที่เป็นกุศลกุศลก็หมายถึงว่าเป็นบุญนั่นเองเรียกว่าบุญกุศล ทุกอย่างนั้นล้วนแต่มีปัญหาวัวควายในวัดเราแนละ้วก็มีปัญหาเขาจึงเอามาปล่อยแต่เราไม่ค้นหาได้แต่เห็นแต่ไม่ค้นหาให้กับมีเหตุมีผลให้กับตัวเราว่าโอน้อเออที่หลวงพ่อพูดท่านคิดได้ยังไงนึกได้ยังไงฟังแล้วก็มีเหตุมีผล ไอยไสเดือนนะ่มันกินใบไม้เน่ารากไม้เน่าเราก็ต้องกินเหมือนกันของที่ต้มมัง่งหมักดองเน่าเหม็นมั่งปลาหลักปลาละปลาหลดปลาไหลสัตว์ที่เป็นมีเลือดบาดมีโรคมีภยัยต้องเอามาต้มมาลวกมาเผากั น, น, กนเหมือนกันเหมือนกันเออควายมันก็ถูกทอดทิง้งวัวก็ถูกทอดทิง้ง แต่วัวควายนี้ก็มีบุญในอุตสาหเอามาอยู่ในสถานที่ของผู้ประพฤติดีปฏิบัติดีแล้วก็ระความชั่วมาประกอบกรรมดีรว้นแต่เป็นผู้มีสติปัญญาดีเมื่อก่อนนี้เราไม่ดีเราก็ถูกทอดทิ้งจากทรัพย์สมบัติภายนอกกับญาติพี่น้องพ่อแม่ ก็เอามาทิ้งที่วัดเขาอิติสุกตหมอนกันเรียกว่าเอามาเข้าโรงพยาบาลฝึกจิตเรียกว่าโรงพยาบาลตัดความบ้านั่นเองเราร้วนแต่มีความบ้ามีความต้องการก็คือมีความโลภนั่นเองเราก็มาฝึกละความโลภจากความที่อยากได้ก็เป็นผู้ให้ เรียกว่านั่งแผ่เมตตาเนี่ยในขณะนี้ให้เวลากับตัวเองใช้ความคิดที่ไม่มีความโรคก็คือละความโรคมาเป็นผู้ให้เสียจากผู้อยากได้เป็นผู้ขอก็เป็นผู้ให้เราไม่เคยให้ความเมตตากรุณาคือความสงสารความรัก กับคนอื่นแม้ดุดดังพ่อแม่พี่น้องเราเราก็ยังไม่เคยพึงปฏิบัติให้กับพ่อแม่ด้วยความเมตตาก็คือความรักไม่เหมือนพ่อแม่ที่มีความรักมีความเมตตาให้กับเราเลี้ยงดูเรามามีความสงสารกลัวโรคจะบาดเจ็บ กลัวลูกจะตายหลายๆอย่างเนี่ยพยายามเฝ้าห่ออุ้มกระตุ้มอุ้มห่อมาไม่มีการทิ้งพวกเราเนี่ยแม้แต่วันเดียวเราก็ยังนึกถือว่าเราได้เคยพึงปฏิบัติต่อผู้ที่เคยปฏิบัติให้เราเนี่ยบ้างหรือเปล่าทำไมเรามีจิตใจหยาบ การมองไม่เห็นคุณงามความดีของคนที่เขาทำความดีกันเราเห็นไหมใจมันหยาบจิตใต้สานึกเนี่ยมันมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตาทวดครั้งแต่ในอดีต ท, ที่มีวิบากกรรมต่อกันที่จะต้องมาเป็นลูกผัวตัวเมียมาเป็นพ่อแม่เป็นพี่เป็นน้องกันแต่เรานี่ไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยทำมีวิบากกรรมอะไรบ้าง จึงต้องเกิดมาเป็นตระกูลนี้ครอบครัวนี้เป็นลูกของพ่อแม่คนนี้บางคนก็ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งบ้างพ่อแม่ทิ้งกันบ้างเกิดในตระกูลที่เรามองไม่เห็นเลยว่าที่มาที่ไปของเราเนี่ยทำไมจะต้องมีชีวิตอย่างนี้แต่ในขณะนี้เนี่ยเรามีสติ ได้รู้เหตุรู้ผลรูล้ปัจจัยเราต้องพึงพอใจในความรู้สึกว่าในสิ่งที่เราได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันสูงสุดกว่าสัตว์อื่นใดแล้วการคิดสติปัญญานั่นเองอย่างที่วันแรกที่หลวงพ่อบอกว่าวัดเขาอิติสกโตเนี่ยเป็นมือเปรียบเสมือนโรงพยาบาลรักษาโรคพวกเรา พระในกำลังฝึกเป็นหมอเป็นคุณหมอโดยเฉพาะหลวงพ่อเนี่ยก็เป็นผ อ, อใหญ่เป็นหมอโรคจิตรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นโรคอะไรมารักษาหายไปหลายโรคแล้วเมื่อเรารู้เหตุรู้ผลตัวเองก็มีการสอบเข้ามาคัดเลือกเข้ามา เขามาเป็นหมอก็คือพระคุณเจ้าสามาเนนสัมาเนนก็เรียกว่าผู้ช่วยหมอแม่ชีก็เรียกว่าพยาบาลแต่งชุดขาวเลยพยาบาลแต่ไม่มีหมวกใส่ไม่มีเส้นเ็าเรียกว่าสายสีดำๆพยาบาลกับผู้ช่วยพยาบาลก็ให้ดูที่หมวกมีขีดสีดำ วัดเราเนี่ยมีทั้งหมอมีทั้งหมามีทั้งวัวควายก็ยกตัวอย่างมีอสุลกรรมนะมีแผนกอสุลกรรมก็คือแม่ชีกิฟต์ม็ชีกิฟต์ในอยู่แผนกอสุลกรรมก็มเรียกว่าลงอาหารเลยแม็ชีกิฟต์ในผลิตอาหาร อาหารของพยาบาลก็ต้องเป็นอาหารที่ไม่ทํำลายนะไม่ทํำลายเป็นอาหารที่เอี่ยมสะอาดถูกพาราณมัยแต่ก็มีผนแหนกอีกนะอสุรกรรมก็มีหัวหน้าผนแหนกก็มีชินนาหัวหน้าผแหนกใหญ่ยยอิ่งเนี่ยนะเป็นรองหัวหน้าผนแหนก ปจีกิฟปรุงอาหารเวจินาก็เป็นฝ่ายชิมยัยอิ่งเนี่ยเป็นฝ่ายชิมเชลชวนชิมเนี่ยจีกิฟเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ปรุงอาหารตามหลักพรรณนามัยจะได้มีโปรตีนนะมีสารอาหารมีวิตามินสารพัดที่จะรักษาคนไข้ ก็คือญาติสัมมาปฏิบัติที่มาวัดเราเนี่ยมารักษาโรคจิตกันเป็นโรคที่รักษาลำบากมากเพราะว่าขาดสติเรียกว่าชตาขาดแล้วคนไม่มีสติก็คือคนบ้า น, นั่นเองชีกิฟเนี่ยก็ปรุงอาหารปรนแหลอสุลกรรมชีนาก็ชิมกับแม่ชีอิ่งเนี่ยชิม ชิมอาหารเพื่อให้ถูกลถถูกพลานามัยถูกหลักที่จะต้องรักษาโรคแม่ชีนาก็ไปห้องไอซมาแล้วนะชิมขนาดชิมของแม่ชีกิฟตใยายอิงนี่ผอมแห้งไม่มีแรงเลยเพราะว่าแผนกชิมดูที่ว่าชีกิฟเนี่ยเป็นนักปรุงแต่งอยู่แผนกอสุรกรรม แผนกุมารเวทก็ชีอุนะชีอุมีอยู่ในแผนกุมารเวทคอยดูเด็กๆนะชอบดูแลเด็กชอบกินเด็กนะแม่ชีอนะุส่วนแม่ชีตายก็เป็นพวกพาหานะเป็นพวกพาหันะนำพาไปทุกสิ่งทุกอย่างแม่ชีกิฟนี่ได้ผลิตแต่อาหารแต่ ลืมว่าตัวเองนั้นจะต้องทานให้ถูกหลักพลานามัยเหมือนกันก็ดูแม่จีกิฟอ้วนปึกเลยแม่จีนาชิมของแม่จีกิฟหัวหน้าผนัแนกป่วยเลยเป็นความดันอ้วนไปหมดไขมันอุดตันเน ย, ยะสะอิ้งนี่ถึงงัเป็นลมเลยชีเป็นผู้ชิมนะ เขาเรียกว่าหนูลองยาแต่แม่ชีนาได้แต่ชิมแต่ลืมกินยานะยืมลลืมรักษาตัวเองเยซาอิงก็เช่นเดียวกันยกตัวอย่างแม่ชีตายเนี่ยก็พาชีพาพระไปเรื่อยตามสภาพของขึ้นรถเป็นพาหะพาไปบางวันก็ไม่รู้ว่าพาไปไหนเพราะว่ากินยา ลืมเขย่าวขวดนะบางทีก็ลืมกินยาเกินขนาดก็พาไปน่นปานละอูมังประเด็งประเด็งมั่วไปหมดแห่กันไปสรุปง่ายๆว่าร้วนแต่ทุกคนเนี่ยเป็นโรคจิตนะจิตประสาทนะาเป็นประสาทนี่ต้องใช้ยาขนาดหนัก ต้องใช้ยาแรงต้องวางยาสลบกันบางคนนะคนที่เป็นโรคเนี่ยไม่รู้ตัวเนี่ยก็คือเป็นผู้ขาดสติญาตโยมเนี่ยก็เป็นผู้ผู้ที่ขาดสติเป็นโรคจิตนะจิตปุงแต่งทังวัดเขาอิติสุกโตเนี่ยก็เปรียบเสมือนโรงพยาบาล คุณหมอเนี่ยคือพระคุณเจ้านั่นเองแต่ถ้าไปเจอคุณหมอเพี้ยนเมื่อไหร่คนไข้ก็ น, นากวัวจะเป็นอาการหนักแย่มาจากบ้านแล้วมาถึงโรงพยาบาลยังต้องเข้าห้อง i อซเพราะว่าเจอคุณหมอเพี้ยนเพี้ยนก็คือบ้าเพิ่เจอในความขลังของตัวเอง ปรงแต่งเชื่อว่าตัวเองนั้นสำเร็จบ้างมียานอย่างรู้บ้างเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บำม u ง o n g บำเลอญาติโยมด้วยความพูดที่ตัวเองนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเรียกว่าอวดอุตริไม่มีอยู่ในตัวตนก็ยังขาดให้เป็นพระได้ก็คือเป็นหมอเถื่อนนั่นเองเขาเรียกว่าหมอเถื่อนไม่มีใบประกาศนะ ไม่ได้ผ่านงานก็ไปเปิดคลินิกเองเลยบางรูปไปเปิดคลินิกรักษาโลรักษาเองเลยเขาเรียกว่าพระเถื่อนตัวเองไม่มีธรรมะไม่มีสติปัญญาดันไปสอนญาติโยมเรียกว่าพระเถื่อนหรือว่าหมอเถื่อนนั่นเองพยาบาลก็เหมือนกันพอพระเถื่อนลงพยาบาลเถื่อนพยาบาลอย่างชีกิฟต์เนี่ย ก็ไม่ได้เรียนอสุรกรรมมาไม่ได้เรียนเกี่ยวกับการทำอาหารมาเรียนรูปตามที่เขาพูดเขาเห็นทาต่อๆกันมาก็ทำเลื่อยเชยให้พวกเราได้ทานไปคนไข้ก็กิกนไปบางคนแสลงอาหารแบบนี้คนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะก็จะต้องทานอาหารที่มันอ่อนๆเละๆนะชิจิฟ ก, ก็เล่นเอาของเหนียวให้กินเลย คนมันพร้อมชีกิบก็ให้กินยาถ่ายมันก็พร้อมอย่างเหมือนยายอิ่งหมดเลี้ยว ห, หมดแรงเขาเรียกว่ารักษาไม่ถูกโรคให้อาหารไม่ถูกทางฉันได้ก็ฉันนั้นนักปฏิบัติเขาบอกขี้ข่าเห็นกับปากนะคนที่เป็นขี้ข่ากับปากเนี่ยหมายถึงว่าเจออะไรก็กินหมด ว่าจะไม่ได้กินแต่ไม่รู้ว่ามันกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีเกิดทุกข์เกิดโลกเกิดภัยเรานั้นจะแสลงไหมก็เหมือนกับพระกุณเจ้าที่มาปฏิบัติเนี่ยมาฝึกจิตนะมาฝึกสมาธิสมาธิก็คือหมายถึงว่าความตั้งใจมั่นเรามีปัญญาเนี่ยมีสติเนี่ยสติกับปัญญาเนี่ยมันของคู่กัน แต่จะต้องฝึกสมาธิจะต้องตั้งใจกำหนดรู้ก่อนนะรู้ตัวตนที่แท้จริงก่อนเรายังเป็นหมอที่เรียนไม่จบดันไปเปิดโรงพยาบาลรักษาแต่ไม่รู้ว่าคนไข้คนไหนที่มันโวยที่มาเจอหมอเถื่อนนยะ เพราะนั้นพระคุณเจ้าเนี่ยมีหลายรูปมากที่ไม่รู้ทำหัวข้อทำแล้วก็ปฏิบัติยังไม่ได้แต่พอมาบวชแต่งชุดหมอหน่อยโอ้โหแนะนำคนอื่นใหญ่เลยแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยยังไม่รู้เป็นคนบ้ายอยู่กำลังถูกฝึกอยู่บางคนสอบไม่ได้แต่อยากเป็นหมอ ก็คือปฏิบัติไม่ได้นั่นเองแต่ถวายธรรมะญาติโยมใหญ่เลยตัวเองยังไม่รู้คำว่าอันนีจังอันนี้จังก็เป็นของไม่เที่ยงไปสอนญาติโยมให้ไหวตรงนั้นไหวตรงนี้แล้วจะล่ำลวยตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์บ้ามึงมันบ้าโยมก็ พยายามหาโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นโรคประสาทควบคุมสติตัวเองไม่ได้อยู่แล้วก็จะหาโรงพยาบาลเพ่จะให้หาหมอเหมือนคนเราเลยที่เราก็อยากเป็นโรคเป็นภัยก็อยากเจอหมอดีๆที่รักษาให้มันถูกโรคดันมาถูกหมอเถื่อนก็คือพระเถื่อนนั่นเองพระที่ไม่ได้มีศีลสมาธิแล้วก็ไม่ก่อเกิดปัญญา เหมือนหมอนี่ไม่มีจัญญาบันของความเป็นหมอเหมือนพระไม่มีศีลเนนไม่มีศีลแม่ชีก็ไม่มีศีลอุบาสกบาศิกาก็จะมารักษาศีลจะมารักษากับหมอเถื่อนที่มันไม่มีศีลเราก็ไม่รู้ตัวเลยเป็นโรคจิตโรคประสาทอยู่แล้วก็มาเจอซปเปอร์จิตซูปเปอร์ ประสาทเลยกันเนี่ยบ้ากันทั้งโรงพยาบาลเลยสรุปแล้วทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยรวมทั้งพอ อ, อนี่ก็บบ้าไปด้วยเป็นโรคอยู่ที่จะต้องรักษาเหมือนกันพระคุณเจ้านี่ก็ต้องรักษาให้ยาตามโรคนะบางคนก็เป็นโรคประสาทเพอ้อหนังยิ้มบางคนก็เสียบหูฟัง จะต้องมีเสียงขัดกล่อมอยู่ตลอดเวลาบางองค์ก็เดินทั้งวันทั้งคืนไม่ค่อยหลับค่อยนอนต้องให้ยาตามขนาดไปบางรูปบางองค์ก็เป็นโรคจิตไม่ออกจากกุฏิเลยนอนนะกลัวแสงแดดนะเหมือนเพิกเป็นเพิกผีมกลัวแสงแดดแสงพระอาทิตย์บางองค์ก็ แอบกินแอบนอนแอบดูญาติโยมแล้วก็ไปปรุงแต่งคิดเอออหอหมกบางองค์ก็ยังไม่ได้ถูกฝึกเลยตัวเองก็ยังไม่รู้ถวายธรรมะญาติโยมให้ยาเลยจำนายาเป็นพวกเพสัต์เศสัชกรนะ อย่ายมเจอพระแบบนี้เข้าไปเชิงตะกรนเนี่ยก็คือตายจากความดีไปแล้วตัวเองก็เป็นโรคอยู่แล้วโรคจิตประสาทอยู่แล้วหวังว่าจะมาพึ่งหมอที่ดีหวังว่าจะมาโรงพยาบาลนะมารักษาโรค ก, ก็เจอพยาบาลที่ไม่เคยถูกฝึกมาถึงปุ๊บก็เอาประลอดวัดคนไข้เลยนะ วัดตรงไหนเหมือนกับหมอที่เขาแหกปากเราเขาบอาวัดไตลิ้นบางไตลักแร้บางบางคนนึงก็วัดความดันก่อนดันทุลังะ่ะพวกแผนกพยาบาลผู้ช่วยหมอเนี่ยก็จะเอาเข้าเครื่องวัดความดันก็บีบๆไอ้ที่มีสายลัดแล้วก็ ดูซิว่าความดันโลหิตเท่าไรการเต้นของหัวใจเท่าไรพวกเราก็เหมือนกันเข้ามานี่ก็ถูกวัดวัดจากไหนวัดจากคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องเราที่มาอยู่ร่วมกันยอมต่างคนต่างถูกฝึกอุปนิสัยใจคอมาจากแต่ละบ้านแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยไม่เหมือนกัน เรามาอยู่รวมกันเนี่ยย่อมมีความขุ่นเคืองหม่นหมองใจซึ่งกันและกันความดันทุลังก็เกิดขึ้นเนี่ ย, ยงพยาบาลตั้งแกงแกงเหนือแก้งใต้นยอยู่ละคนละผแนกผนแนกกูดีผนแนกมึงล้างจานผนแผนกมึงขัดห้องน้ำนมีหลายผนแนกผแนกถูผนแนกซักผนแหนกรีด มีห้องอบอบไอ้น้ำมีหลายอย่างพระคุณเจ้าเหมือนกันมีหมอหลายอย่างมากหมอก็ด mm. ุมีหมอก็ดุจับเส้นจับสายมีหมอตามีหมอปากหมอฟันมีทุกอย่าง เหมือนกับโรงพยาบาลเลยแต่ยังไม่พูดถึงว่าหมอแต่ล ะ, ะแผนกเนี่ยเป็นใครบ้างกำลังกาลังสืบกำลังดูอยู่ว่าพระองค์ไหนสมควรจะเป็นหมอที่รักษาโรคแบบไหนได้บ้างที่เฉพาะทางของตัวเองก็คือจริตนั่นเองจริตแต่ละองค์นั้นไม่เหมือนกันแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนั่นเอง เพราะนั้นเรามาฝึกกำลังรักษาโลกจิตนะรักษาตัวเองอยู่ก็คือสติรักษาสตินั่นเองเมื่อเรามีสติมั่นคงรู้เหตุรู้ผลแล้วเราก็มาพิจารณาตัวเองว่าเออเนอเราไม่เคยถูกฝึกมาก่อนเราเป็นคนที่ไม่รู้มาก่อน พอรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็เราก็เอามาประพฤติปฏิบัติเหมือนหมอเนี่ยเขาก็มีการผ่าศพนะผ่ากระดูกเอ็นเส้นประสาทศึกษาสรีระของมนุษย์และสัตว์ให้ยาแบบไหนบ้างนะเป็นโรคอะไรต้องสังเกตอะไรต้องถามเราเคยไปโรงพยาบาล เขาจะถามอาการก่อ น, เ, นเหมือนคนที่มาขอบวชเขาก็ถามอาการก่อนว่าเป็นหนักเบาแค่ไหนอาการเป็นยังไงคุณพิการไหมครบอาการ32มสองไหมไม่งั้นบวชไม่ได้ขาดสติเป็นคนวิปลาสคือรักษาคือคนบ้านนั่นเองไม่ไม่สามารถรักษาศีลได้ก็บวชไม่ได้เป็นคนที่เป็นคนหนี้ ถูกฟ้องล้มลำลายหนีคดีฆ่าคนมาอะไรพวกเนี้ยบวชไม่ได้โลกบาลเรารับไม่ได้นะเพราะว่าเป็นกรณีห้ามนะแต่พระคุณเจ้าเนี่ยต้องดูตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเรานั้นเป็นโลกอะไรแน่ แล้วเราจะต้องกินยาเวลาไหนกินยาก็คือการนั่งสมาธิฝึกสตินั่นเองให้มันเป็นเวลาเหมือนกับเราชันอาหารชันเช้าเนี่ยก่อนชันเช้าเนี่ยเราก็กินยาก่อนมันมียาก่อนอาหารก็คือภาวนาตั้งแต่เช้าเลยก่อนที่เราจะบินธรบาตญาติโยมก็จะได้อานิสงส์มากเมื่อ จิตของเราบริสุทธิ์เท่ากับงูแลบลิ้นช้างกระดิกหูเนี่ยจิตหลุดพ้นจากอสาาวะกิเลสก็ได้บุญอานดสงมากขณะจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยเป็นกุศลอยู่แล้วขณะเดินไปก็เหมือนเราเดินจงกรมเน่ก้าวไปเนี่ยพุโทโธพุโทโธไปไม่ปรฎถนาอาหารที่เราชอบนะ จะได้หรือไม่ได้อยู่ที่บุพกรรมที่เราทำไว้หรือเปล่าเราก็จะไม่เลือกปฏิบัติอาหารเราก็จะกินเพื่อประทังชีวิตเนี่ยเราก็ต้องกินยาให้ยากับชีวิตเราตลอดแต่นี่แม่ยาตัวเองไม่กินดันไปขมโมยยาคนอื่นมากินไม่ถูกโรคเรียกว่ายาใจ พระก็แอบมีชีเป็นยาใจชีก็มีพระเป็นยาใจเหมือนกันเขาเรียกว่ากินยาไม่เขย่าวขวดอะไรอย่างเงี้ยแถมกินยาผิดประเภทปวดหัวดันกินยาแก้ปวดท้องปวดหลังดันกินยาถ่ายคนละเรื่องอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติปัญญาเนี่ยเราก็จะลุกษะรู้จักรักษาตัวเองรอด รอดจากโรค ก, ก็คือความก็คือกิเลสนั่นเองกิเลสได้ทำให้ใจเราเนี่ยเศร้าหมองให้ความเป็นอยู่ของเราความเป็นสมณะเพศเนี่ยหม่นหมองชีวรก็ไม่ซักภาชนะก็ทิ้งเต็มหมดบาทก็ไม่รักษาสินก็ไม่รักษาปองอบัตรก็ไม่ปองอบัต การกินการอยู่การนั่งการนอนนี่ก็เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานหมกมุ่นหมกเหม็นตลบอบอวนไปหมดนะก็เพราะว่าสินไม่มีเพราะไม่รักษาสินอยู่เหมือนกับอรัชีเปตพระเป็นพระที่แอบกินแอบนอนอรัชีเปตเนนเปตแมชีเปตอุบาสกบากาก็เหมือนเห็บลิ้นไหลที่มันกินวัวกินควาย กินเลือกกินเนื้อของคนอื่นก็เหมือนพระนี่แหละขบฉันของญาติโยมก็ไม่ ม, ม, ม, มีจิตได้สำนึกโยมทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องกับโอ้โหวัดกูนะของของกูหมูหมากาไกา่พระเตะตีหมดเข็นข้าสารพัดขนมน ม, นมเนยที่ดีๆก็เอาแอบแบกสะพายเอามาแอบไว้ที่ห้องเอาของไม่ดีให้กับคนอื่น ในขณะที่เราไปบินนบาตของดีๆเขาก็เอาได้ไปคนที่ให้พุทธเจ้าบอกว่าปลูกพืชเช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้นโยมพยายามทำของปานนี่ใส่บาทพระแต่ถ้าโยมมีสุลจิตที่ไม่ปานนี่จริงๆก็ไม่ได้เจอพระที่ปานนี่ไม่มีพระที่ปานนีนั่นเองมีแต่พระโหดร้ายเพราะโยมเป็นคนจิตใจร้ายก็ ต้องเจอเขาเรียกว่าปลูกพืชเช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้นโยมทำความชั่วจะอยากเจอพระดีมันก็ยากพระดีก็จะไปเจอโยมชั่วก็ไม่ค่อยเจอแหละครับมันมีเหตุมีปัจจัยของมันเอาละก็ต้องขออนุมโมทนากับผู้มาปฏิบัติรักษาศีลในวันนี้รักษากายวาจาใจาให้ถึงพร้อมเรียกว่าศีล รักษาสมาธิสมาธิคือเรียกว่าความตั้งใจมั่นคือมีความตั้งใจมาปฏิบัติมาตั้งสติรักความชั่วมาประกอบกรรมดีเพื่อได้เกิดกอบปัญญาที่รักษาตัวเองนั้นให้หายจากคนที่เป็นโรคประสาทหรือโรคจิตเพื่อจะได้เป็นผู้หลุดพ้นจากอสวะของกิเลสความมมหมองได้ศาสนาควรจะได้พึ่ง คุณหมอที่มีวิชาความรู้นะเหมือนกับญาติโยมก็จะได้พึ่งพระคุณเจ้าโดยที่พระคุณเจ้าไม่เบียดเบียนญาติโยมและไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนหมู่คณะก็ต้องขออมโนานิมนต์ครับค่อยๆถ อ, อ, อนสมาธิเพื่อจะได้รับอรุณละกวดน้ําสืบต่อไป